ก้ ง, งอสำนวนแนววิปัสสนาแสดงความแตกต่างระหว่างพระอนาคามีกับพระอาหารหันต์ในโกสัมพีสูตรสังยุตตนิกายนิทานวักท่านพระนาระทะได้สนทนา ก, นกันกับท่านพระประวิทธะเมื่อถึงช่วงหนึ่งท่านพระประวิทธะได้ถามท่านพระนาระทะว่านี่แนี่ท่านนาระทะโดยไม่อาศัยศรัทธาเลย ไม่อาศัยความถูกใจการเล่าเรียนมาการตรึกตรองตามแนวเหตุผลหรือความเข้ากันได้กับทิฏฐิของตนท่านนาระทะมียานเฉพาะตัวท่านว่านี่โรดแห่งพบคือนิพพานดังนี้หรือพระนาระทะก็ตอบว่านี่แนท่านปวิทธโดยไม่อาศัยศรัทธาเลยไม่อาศัยความถูกใจการเล่าเรียนมาการตรึกตรองตามแนวเหตุผล หรือความเข้ากันได้กับทิฏฐิของตนผมรู้ผมเห็นซึ่งความข้อนี้ว่าเพราะชาตินิโรธจรามรณะจึงนิโรธเพราะอาวิชชานิโรธสังขารจึงนิโรธผมรู้ผมเห็นความข้อนี้ว่านิโรธแห่งภพคือนิพพานพระบวิทฐ์จึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านนาระทะก็เป็นพระอรหันตขีนาศพสิ พระนารทะจึงชี้แจงว่าข้อที่ว่านี่โรธแห่งภพคือนิพพานนั้นผมมองเห็นเป็นอย่างดีด้วยสัมมาปัญญาตามความเป็นจริงแต่กระนั้นผมก็ไม่ใช่เป็นพระอรหรันตขีนาศเปรียบเหมือนมีบ่อน้ำในทางกันดานแต่ที่นั้นไม่มีเชือกไม่มีภาชนะสำหรับตักน้ำครานั้นบุรุษหนึ่งถูกอากาศแ้งเผากรำร้อนมาถึงทั้งเหนื่อยทั้งหิว ทั้งกระหายเขามองลงไปในบ่อน้ำนั้นทั้งที่มีความรู้อยู่ว่านั่นน้ำแต่จะสัมผัสด้วยกายก็ม่ได้นี่ฉันใดข้อที่ว่านี่โรธแห่งภพเป็นนิพพานผมก็มองเห็นเป็นอย่างดีด้วยสัมมาปัญญาตามความเป็นจริงแต่ผมก็ไม่ได้เป็นพระอรหันตขี น, นาสดตรงนี้อัทธกถาขาขความว่าท่านตั้งอยู่ในอนาคามิมักในเขมะกะสูตร สังยุตานิกายขันทวารวักท่านพระเขมะกะาอาพาธเป็นไข้หนักพักอยู่ที่แห่งหนึ่งซึ่งห่างกันประมาณหนึ่งขาวุษหรือสี่กิโลเมตรพระเถระทั้งหลายให้ท่านพระทาสกะไปถามอาการว่าพออดทนได้หรือไม่ได้รับคาตอบว่าทนไม่ไหวทุกเวทนาอันกล้ากำเริบขึ้นไม่ทุเลาลงเลยท่านพระทาสกะกลับมาบอกความนั้นกับพระเถระทั้งหลาย พระเถระทั้งหลายก็ให้กลับไปถามท่านพระเขม ก, กะอีกว่าท่านเขมกะพิจารณาเห็นอะไรอะไรในอุปาทานขันธ์ทั้งห้านี้ว่าเป็นตนหรือว่ามีในตนหรือเมื่อท่านพระทาสกะเดินทางไปถามท่านพระเขม ก, กะก็ตอบว่าผมไม่เห็นคล้อยสิ่งใดเลยในอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอัตตนิยะสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเมื่อท่านพระทาสกะนําคําตอบนี้มาบอกพระเถระทั้งหลาย พระเถระทั้งหลายก็ให้กลับไปถามท่านพระเขมากะอีกว่าถ้าอย่างนั้นท่านเขมากะก็เป็นพระอรหันตขีนาศสิเมื่อท่านพระถาสกะเดินทางไปถามท่านพระเขมากะก็ตอบว่าผมไม่เห็นคล้อยสิ่งใดเลยในอุปาทานขันห้าเหล่านี้ว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอัตตนิยะก็จริงแต่ผมก็ไม่ได้เป็นพระอรหรันอันหนึ่งผมยังมีความรู้สึกถือติดอยู่ในอุปาทานขันห้า ว่าเรามีอยู่ทั้งที่ผมก็ไม่ได้เห็นคล้อยไปว่าเราเป็นนี้เมื่อท่านพระทาสกะนาคาตอบนี้มาบอกพระเถระทั้งหลายพระเถระทั้งหลายก็ให้กลับไปถามท่านพระเขมะกากอีกว่าที่ท่านกล่าวว่าเรามีนั้นท่านว่าอะไรเป็นเรามีท่านว่ารูปเป็นเรามีหรือว่าเรามีนอกเหนือจากรูปท่านว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรามีหรือว่า เรามีนอกเหนือจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตที่ท่านกล่าวว่าเรามีนั้นท่านว่าอะไรเป็นเรามีเมื่อท่านพระทาสกะเดินทางไปถามอีกครั้งนี้ท่านพระเขมะกะก็กล่าวว่าพอทีเถิดท่านทาสกะการเดินไปเดินมาบ่อยๆ อ, อย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรอาวุโสจงไปหยิบเอาไม้เท้ามาเถิดผมจะไปหาภิกษุผู้เถระทั้งหลายเอง เมื่อท่านพระเขมกักยันไม่เท้าเข้าไปหาพระพิสุผู้เถระทั้งหลายถึงที่อยู่ครั้นผ่านการสนทนาปราศัยพอให้ระลึกถึงการไปแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ตอบคมถามนั้นว่าผมไม่ได้ว่ารูปเป็นเรามีและก็ไม่ได้ว่าเรามีนอกเหนือจากรูปผมไม่ได้ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรามีและก็ไม่ได้ว่า เรามีนอกเหนือจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่กระนั้นผมก็ยังมีความรู้สึกถือติดอยู่ในอุปาทานขันห้าว่าเรามีอยู่ทั้งที่ผมก็ไม่ได้เห็นคล้อยไปว่าเราเป็นนี้เพรเพเหมือนดังกลิ่นอุบลปทุมหรือบุญทริกผู้ใดกล่าวว่ากลิ่นของกลีบหรือว่ากลิ่นของสีหรือว่ากลิ่นของเกสรเขากล่าวอย่างนี้ จะชื่อว่าผู้ถูกต้องไหมพระเถระทั้งหลายตอบว่าไม่ถูกเลยท่านพระเขมะกะถามว่าจะตอบให้ถูกจะว่าอย่างไรละท่านพระเถระทั้งหลายตอบว่าจะตอบให้ถูกก็ต้องว่ากลิ่นของดอกสิท่านพระเขมะกะยจึงกล่าวว่าฉันนั้นเหมือนกันแหลท่านทั้งหลายผมไม่ได้กล่าวว่ารูปเป็นเรามีแลวก็ไม่ได้ว่าเรามีอยู่นอกเหนือจากรูป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 ว่าเรามีฉันทะว่าเรามีอนุสัยว่าเรามีที่ตามคลออยู่ในอุปาทานขันห้าอาริยสาวกนั้นก็ยังละไม่ได้ตามคลออยู่อย่างละเอียดถึงตอนนี้เป็นพระอนาคามีสังโยชน์เบื้องต่ำห้าที่ละได้แล้วสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิลปะตะปรามาตกามาราคะและปัติฆะสังโยชน์เบื้องสูงอีกห้าที่จะต้องละต่อไป คือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธจัจจะและอวิชชาสมัยต่อมาอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นอยู่หนึ่งเนืองซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปในอุปาทานขันทั้งห้าว่ารูปดังนี้สมุทัยแห่งรูปดังนี้อัสดงแห่งรูปดังนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังนี้สมุทยแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังนี้ อัศดองแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังนี้เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปในอุปาทานขันทั้งห้าเหล่านี้อยู่เสมอเสมอหมานะว่าเรามีฉันทะว่าเรามีอนุสัยว่าเรามีที่ตามคลออยู่ในอุปาทานขันทั้งห้าซึ่งท่านยังถอนไม่ได้นั้นก็จะถึงซึ่งความขาดถอนไปสิน้นคือบรรลุอรหัตผล เป็นพระอาหารหันในตอนนี้พระเขมะกะกล่าวต่อไปว่าเปรียบดังผ้าที่โสกปรกมีรอยเปื้อนจับติดเจ้าของนําไปมอบให้แก่ช่างซักฟอกช่างซักฟอกขยําขยี้ผ้านั้นในน้ําด่างขี้เท่าในน้ําด่างเกลือหรือในโคลหม่แล้วซักล้างในน้ําสะอาดแม้ว่าผ้านั้นจะสะอาดขาวผ่องแล้วก็จริงแต่กระนั้นกลิ่นน้ําด่าง หรือกลิ่นโคไหม่ที่แทรกติดอยู่ก็หาหมดซึ่งไปใหมช่างซักหม้อผ้านั้นคืนให้แก่เจ้าของเขาเอาเก็บใส่ไว้ในตู้อบกลิ่นครานั้นกลิ่นด่างหรือกลิ่นโคไม่ใดๆที่แทรกติดอยู่ซึ่งยังไม่หมดไปก็จะหายไปได้โดยเด็ดขาดฉันใดความที่แสดงมาข้างต้นนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน